นิสักคียะกันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีที่ต้องสละสิ่งของโกศิยาวักวักว่าด้วยไหมเป็นวักที่สองมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งโกศิยวักในนิสักคียะกันห้ามหล่อเครื่องปูนั่งเจือด้วยไหมภิกษุชพักคีเข้าไปหาช่างทำไหม ขอให้เขาต้มตัวไหมและขอยใยไหมบ้างเพื่อจะหล่อสันทั์คือเครื่องลาดเครื่องปูนั่งเจือด้วยไหมเขาหาว่าเบียดเบียนเขาและเบียดเบียนตัวไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุหล่อสันทั์เจือด้วยไหมทรงปรับอาบัตินิสักิยาปาจิตตีแกภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สอง โกสิยะวัคในนิสักยกันห้ามหล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนเจียมดำล้วนภิกษุชปพคีหล่อสันทัดด้วยขนเจียมคือขนแพะขนแกะเป็นสีดำล้วนคนทั้งหลายติเตียนว่าใช้ของอย่งางเข้ารือหัดจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามหล่อเองหรือใช้ให้หล่อสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วน ทรงปรับอาบัตินิสักยาปาจิตตีแก่ผู้ละเมิดสิกขาบทที่สโกศิยาวักในนิสักยะกันห้ามใช้ขนเจียมดำเกินสองส่วนในสี่ส่วนเมื่อหล่อเครื่องปูนั่งภิกษุฉัพพะขี่หล่อจันทัดด้วยขนเจียมดำล้วนเพียงแต่เอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่ง ใส่ลงไปที่ชายมีผู้ติเตียนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะหลอสันทัดใหม่พึงถือเอาขนเจียมดำสองส่วนขนเจียมขาวหนึ่งส่วนขนเจียมแดงหนึ่งส่วนถ้าไม่ทำตามส่วนนั้นต้องนิสักขิยาปาจิตตีหมายเหตุผู้อ่านการทำเครื่องปูนั่งด้วยขนแพะขนแก่สีดำล้วนนั้นดูหรูรามีราคา และดูฟุ้งเฟอ้อเกินไปสำหรับพระที่ควรจะสมถะเรียบง่ายนะครับข้อนี้ก็อยากป่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้พึงระลึกนะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติความเรียบง่ายพอเพียงสมถะสันโดษแค่ไหนสิกขาบทที่สโกศิยาวักในนิสสคียากันห้ามหล่อเครื่องปูนั่งใหม่เมื่ อ, อยังใช้ของเก่าไม่ถึงหปี ภิกษุทั้งหลายหล่อสันทั์ทุกปีต้องขอกลนเจียมจากชาวบ้านเป็นการรบกวนเขามีผู้ติดเตียนอ้างว่าของชาวบ้านเขาใช้ได้นานถึงห้าถึงหปีจึงทรงบัญญศศัติสิกขาบทว่าภิกษุหล่อสันทั์ใหม่พึงใช้ให้ถึงหปีถ้ายังไม่ถึงหกปีหล่อใหม่ตอนนิสักคยะปาจิตตี ภายหลังภิกษุเป็นไข้เขานิมนต์ไปที่อื่นไม่กล้าไปเพราะจะนำสันทัดไปด้วยไม่ไหวจึงทรงอนุญาตให้มีการสมมุติเป็นพิเศษสำหรับภิกษุไข้สิกขาบทที่ห้าโกสิยวัคในนิสสคิยะกันให้ตัดของเก่าปนลงในของใหม่ภิกษุทั้งหลายทิ้งสันทัศไว้ในที่นั้นนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะหลอดสันทัดสําหรับนั่งพึ่งถือเอาสันทัดเก่าหนึ่งคืบโดยรอบเจือลงไปเพื่อทําลายให้เสียสีถ้าไม่ทําอย่างนั้นหล่อสันทัดใหม่ต้องนิสักขิยาปาจิตตีสิกขาบทนี้ทําให้เห็นความสําคัญของสันทัดเก่าที่จะต้องเก็บไว้ปนลงไปเมื่อหล่อใหม่ด้วย สิกขาบทที่หโกศิยวักในนิสัขิยากันห้ามนำขนเจียมไปด้วยตนเองเกินสามโยตภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสู่กรุงสาวัตถีในโกสนชนบทมีผู้ถวายขนเจียมในระหว่างทางเธอเอาจีวรห่อนำไปมนุษย์ทั้งหลายพากันพูดล้อว่าซื้อมาด้วยราคาเท่าไหร่จะได้กำไรเท่าไหร่ ความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทใจความว่าภิกษุเดินทางไกลมีผู้ถวายกลนเจียมพึงปรารถนาก็พึงรับและนําไปเองได้ไม่เกินสามโยตในเมื่อไม่มีผู้นําไปให้ถ้านําไปเกินสามโยตแม้ไม่มีผู้นําไปให้ต้องนิสักขิยะปาจิตตีหมายเหตุ หนึ่งโยดเท่ากับ16หกิโลเมตรนะครับศิกขาบทที่7โกศิยะวัคในนิสักยะกันห้ามใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติทำความสะอาดขนเจียมภิกษุฉัพภขีพวกหใช้นางภิกษุณีให้ซักให้ย้อมให้สางขนเจียมทำให้เสียการเรียน การสอบถามและเสียข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาชั้นสูงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติซักย้อมหรือสางขนเจียมทรงปรับอาบัตินิสัขิยปาจิตตีแกภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่8 โกศิยะวัชในนิสักิยะกันห้ามรับทองเงินเจ้าของบ้านที่พระอุปนนทะสักยบุตรเข้าไปฉันเป็นนิตเตรียมเนื้อไว้ถวายเวลาเช้าแต่เด็กร้องไห้ขอกินในเวลากลางคืนจึงให้เด็กกินไปรุ่งเช้าจึงเอากหาปณะนะคือเงินตรามีราคาสี่บาทถวายพระอุปนนทะก็รับมีผู้ตีเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิขาบทห้ามภิกษุรับเองใช้ให้รับทองเงินหรือยินดีทองเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนทรงปรับอาบัตินิสขิยาปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงอนุ ญ, ญาตให้ยินดีปัจจัยสีได้คือทายกมอบเงินไว้แก่วัยยาวจชกรเพื่อให้จัดหาปัจจัยสี่ คือเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่นอนที่นั่งอย่ารักษาโรคภิกษุต้องการอะไรก็บอกให้เขาจัดหาให้จึงมีประเพณีถวายใบประวารณาปัจใจสีหมายเหตุผู้อา่านขอเสริมสักนิดนะครับให้สังเกตคำว่ายินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนให้ดีนะครับเพราะมีคนเข้าใจผิดเรื่องพระรับเงินบาปหรือไม่ จนเผลอปรามาย์พระดีไปก็เยอะตามหลักแล้วถ้าพระไปบินธบาติก็ไม่ควรรับเพราะไม่งามด้วยประการทั้งปวงนะครับแต่การรับที่ไม่อบัติคือรับไว้เพื่อประโยชน์ของพระศาสนาหรือส่วนรวมรับไว้เพื่อใช้ในกิจที่จําเป็นของสงฆ์ถือเป็นการรับแทนสงฆ์เงินที่ได้เป็นของสงฆ์โดยส่วนรวมแต่ไม่ได้รับไว้เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้รับไว้เป็นของส่วนตัว การรับไว้ด้วยใจไม่ยินดีไม่ละโมบโลภมากในเงินทองไม่มีเจตนาสะสมเงินทองทุกอย่างอยู่ที่เจตนานะครับไม่ใช่ว่าจะผิดกันเป๊ะๆทุกอย่างปากถึงท่านที่ศึกษาธรรมะศึกษาพระวินัยต้องดูให้ดีนะครับว่ามีข้อแม้มีข้อยกเว้นและดูที่เจตนากันอย่างไรไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการตีความพระไตรปิฎกผิด และเกิดกรรมหนักที่ไปกล่าวปรามาตพระดีอีกจํานวนมากนะครับฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้สิกขาบทที่เกโกศิยาวักในนิสักยยากันห้ามทำการซื้อขายด้วยรูปียะรูปียะคือเงินทองหรือสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินที่กําหนดให้ใช้ได้ทั่วไปในที่นั้นๆ ภิกษุฉับ พ, พัคคีพวกหกทำการซื้อขายด้วยรูปียะมนุษย์ทั้งหลายพากาันติดเตือนว่าทำเหมือนเป็นขฤรือหัดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำการซื้อขายด้วยรูปียะทรงปรับอาบัตินิสักียาปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สิบ โกศิยวัชในนิสักียักันห้ามซื้อขายโดยใช้ของแลกปริภาชกผู้หนึ่งเห็นพระอุปนนทะสักยบุตรห่ผมผ้าสังคติสีงามจึงชวนแลกกับท่อนผ้าของตนภายหลังทราบว่าผ้าของตนดีกว่าจึงขอแลกคืนพระอุปนนทะไม่ยอมให้แลกคืนจึงติเตียนพระอุปนนทะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทำการซื้อขายด้วยประการต่างๆต้องนิสัขิยปาจิตตีสำหรับข้อนี้หมายถึงซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันเองระหว่างนักบวชในพระพุทธศาสนาทำได้